วัตถุนิยมทำขึ้นมาจากธาตุดินอุดมคติเอาออกมาจากศีลธรรมของพระมาพระพุทธเจ้าวัตถุนิยมจะทำดีเด่นสักเพียงไรก็าตามก็ออกมาจากธาตุดินทางดินน้ำไฟลมอุดมคติก็ อ, ออกมาจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นอุดมคติขั้นที่หนึ่งหรือนอกกนั้นอย่าเอามาเ อ, อ่ยเลย น่าเป็นขั้งที่สองสามสี่ห้าไปอุดมคติในทางพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระอุดมคตินับแต่สุพัจพโนเป็นต้นไปวัตถุนิยมของพระสุพัจนโนได้มาในทางโมเดิสุดด้วยเพราะไม่ได้แผ่ได้ขอไม่ได้เรียไม่ได้ไรเหลือดังนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้นุปุมมหาสบายอยู่เปเออสบายอยู่เข้าไปหา พระอหนึ่งแลนมาหลัดเท่าว่ายเท่าไปบางสกุลเพื่อนเท่าเราว่าจะให้เอ อ, อ, อเขาจมใหยย้เอวเขาเขาสั่งไปว่าให้ตัดผ่าทั้งฆาให้เพื่อนในเรื่องว่าท่านเขาสั่งไปแล้วภาษาสัง้าไหมเาอาผ่าไหมไปไปที่พ่อผ่าทั้งฆาผืนหนึ่งกับผ่าจีวัน ภาคบงพื้นหนึ่งภาคบงพื้นนึงนั่นมันบางทีเพิ่นประมักเนวหนาหนังนกันบางทีน่ยเพิ่นเพิ่นสะดวกมืปู่มหาน่ะเมื่อจักรขี่แงเร่งเขาไปรัดท่าไว้ไห้เ้าขึ้นไปหาเพื่อนเ hmm. น พ, พน yeah, ええ so ่กัดขาเาอยู่ป่ะเขาวจะห้พระเอาเข้าเคยไปเคยเข้าเคยเอาอีงไปบางสกุลน่ยเพ่อยูฮะอืมฮ้ั่นจักบอก โว้ยมันจะตายยังไงอือ้เท้าเข้าไปคุ้งล้นนะเพื่อนบอได้ว่านังนี้เออแงเงินว้าวจะขึ้นอยากขึ้นแบบห้าอย่างรู้เออเบอหน้าเท้าเท่าไปก่อนหรอเข้าจังป่อยยี้ โทษไปก้อนแล้วเออพโทษไปก้อนแล้วสมหมายโทษไปก้อนแล้วรู้จัวแจกเหรอเฮ้่ น, นีเรื่องซาลาเรื่องซาลาถ้าผมพข้าไปว่าจะตหนาเพื่อนดีว เพิ่นพ่อหายเข้าเด้่นะถือแพร่เพื่อัดคนประเทศใต้ใ น, น, ตใ น, นีน่ว่าสเสนต้วถือแพร่ยังไงว่าเสนายกับถือแพ่้ว่าเนเพิ่นเลยเข้าตื้นว่นอยว่าเสนาเพิ่นเคยว่าเขาฟังยืดนํากันว่าน้องผืนธรรมดาขอขออานายาดกับหลวงปู่มันว่ได้ขังเทนึงหยุดเหล่าจักรนี่มือหามือหรือเดือนนึงจะไปขออีกเะครกับขันยังเมื่อใดขยุตจะกน เนี่ยจะไปขออีกครั้งที่สามครั้งที่สามบ่ได้จะขอยุดตัวหน้าครั้งที่สีต้องหายนะเพิ่เคยสอนเข้าอยู่หลวงปู่มหาขห้าอยู่น้ำหลวงปู่มันนะว่าหลวงปู่หลวงปู่มันรักใคร่ในบางสกุลอันเรียงซาลานะมันกับทันรีไปขอปฏิหารยังไง คันทั้งนีนเพ่อหทั้งรี้ทั้งรี้ไปเท่แพรงานอมดหายังนี้ทั้ทงรีมีเงินอยังพอบหมื่นบาทงินบอกอมื่กิควบผิดกับจิมไกาฮาน่ะเข้าเราโทษที่สีนะ่แล้วควบผิดกับมดเมื่องอดรนทวายสิเว้ยอีพออีเมียเลยคันเชื่ว่าหายลูกเต้าเช็ดซาร่ามันกระทบถงลูกเต้านี่แล้วพ่อเมมันไม่ได้ดีกับดีว่า่นเนี่ อคือบุ้มไม่หูไม่ตาให้หลงให้เต่าขอทำเจา้ากันขอนว้สั่งขั้งที่หนึงเมื่อได้กับขั้งที่สองก็ไปอีกนั่นเติมก็ไปอีกครั้งที่สามก็ไปอีกมันก็นได้เชินตัวทีว่าจังไรสนาระเขาตั้งใจยินดีเนี่คนพูดอย่างมาขอสามทีอขอโดยขอด้อรบบริเวณอวดดีไว้สั่นขอขั้งที่หนึงเมื่อได้ให้ถอยไปทราบไวั่งเพิ่งเคยสั่งสอนเขาอยู่เฮ็ดกับหลวงปู่มันขันขอโอกาสขั้งที่หนึ่งได้ ขยุตตนะกอนห่างจักน้อยไปเคาะโ อ, อกาสอีกท่านขันพ่ได้ขยุตตนะกอนห่างอีกจะไปเคาะโ อ, อกาสอีกเที่ยงสามก็ได้ท่านมันก็อันเดียวกันกับพระอนุนถ้าพระอนุ์มาเนี่ยมวลเราขั้งที่หนึ่งเราก็จะห้ามไหวขั้งที่สองเราก็จะห้ามไหวขั้งที่สามเราก็จะรับประสเสร้นั่นขันพุได้เห็นบอกในมหาปริข้าวสูเพระก็เหีตามมานั่นน่ะหลวงปู่มหาบคมคนงงอเดนั่น ก็ให้มันพูเก่าเอา้มันพูใหม่าวอันูห้องไปขอมันีได้บอห้บนีนจะตางขันพ่อเพิ่ว่าให้เฮ็ดจ่าสันก็ติเียวแกเชียวขออาน้องผู้ดังกันทจิ่งงกได้ได้หัวันตัวอันมันกับพนํากิมก่เลยว่าอย่างไรสั่ันกิมกก่ครบึ้นมาในะางพาวาสีเทาน้ำด่วยัน่เห็ดโอ้ยขันลูขันเต่าว่าเห็ดเขากัารว่าหลูกเต่าเนี่เป็นคนนี้เงี้มี้าอยู่มันก็ทับสมหลูกเต้าตายเลยอันเต่าขอเห็ดกนถอน่สั่ อ้อนนอกไปเพ่อนนเฮ็ดอันนี้แก้ไม่ลาดขลาดมกเพราะแกขาแก้คืออ่สามเพ่นโอ้ยสิมาว่ถามลามเว้าข้มันปดแล้วกว้างนึ่มันล่อยเถิดจงวันมันดสัมผัสปราปลพูดเพ่อเจอ มันมีเกียแต่นาก็บว่าตบปับเอาวัตถุกดเน่ย่ามันมันลวงสาวไปซะมันหามเบรกบัลล้อมันเปิดมันมันเปิดรถไว้าพอดนี่เียแต่มันหามเบรกบัรลอมมันเลยไปซนนั่นเข้าจมห้ที่มัดประเทศไทยนี่ถือแพร่เพื่มัดไอ้สั่นกุบายบุษัทเพ่น้ั่นเขาก็ถือแพร่ด้วยว่าแ่้งมีบันลบอยู่ว่าพเพ้าผมมีเงิน่า เออกันเอ่อากับถือแพร่ขึ้ากันแล้วถือแพ้่เพิวัดประเทศไทยเนี่ยว่าฉันนะวุ้ยผู้สลาดทอเพิ่นว่าฉันเพิ่นแลวเข้าหมดตื่นว่าฉันมันก็เพียนมเมื่อุดอมันกับเพียนมันประเทศไทยเลยถือแพร่เพิ่นวัดว่าฉันอันนี้ยามเพิ่นไปหลายหลายวุ้ันยูที่จอยาน่าโซนนานีว่าฉันอ่ะอาได้เทียบกั้ยังเราอยู่ดีนั่นพวกมันตาว่าฉัน ใครไปไปญี่ปุ่นสักก้นั้นแต่คนคนก็เบาหยอมั้งแล้วใครฟัผู้อื่นเขาว่าเขาแต่ว่าอยู่ทำเป็นแฉมูอเฮ้าอ่ะมูเฮ้าโง่ก็เป็นมูอเฮ้าโง่ก็ร้วงูมาหาเป็นอรับเมื่อปดอแห้งโง่ไรกันจีมกายแห้งโง่ไรกันกินกายมีอะไรก็มูได้วันเอะม้าเข้าเที่ยวเด้เข้ากับเข้าธรทมาตในว่าจะเชื่อว่านี่ใเข้าเขารักษาตัวเขาอยู่คน คนทางหางเรนี่เขามาหาในวัดในว่าอะไรสิเขาย่่งเขาว่ากับคนนั้นอิตาสีอึดสียากีสีฮาอุบายคออย่างกูเราอยากเพื่นว่ากับคนนั้นเพื่อนว่าเสว่าดอกหล่อตัวเขาขึ้นแ่ตัวว่าเขาตีอยังพุโป่งเป้งอยู่มั้นี่มาถามเขาเขาว่าเขาเขาเขาทำอะไรเ้าตีตะกูเขาว่าขนาดนี้เขาว่ได้ต่อไปอีกเยอันนั้นก็ไม่พออันนี้พอให้พอให้ช่วยบ้างเขาว่าจะมเทลียรได้ไหมน่นี่เขาก็บเหตุบอกว่สนว่า ที่นี่มู่เข้าสิเหตุงานเหตุสร้านี่ยันทราบพื่นี่สุดกรเป็นเนี่ยขโมอโทษว่ด่าหามหามเบกฝาขคำสารปากบพระขอบคือพระธมาเถิดพระเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองพระประเจกทั้งหลาย ชั้นที่สามอรหันต์ตาชี้นาศบทั้งหลายชั้นที่สี่พระอน า, าคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระสักคาคามีทั้งหลายชั้นที่หพระสุดาวันทั้งหลายพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้เหล่านั้นเหล่าน่นซึ่งเป็นโลกุตระเถระพวกเราทั้งหลายจะทผิดท่านด้วยกายกรรมสามเจีกรรมสี่มื่โนกรรมสาอันใดอันหนึ่งมาเถิดพวก่อนกก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดี ขอให้พระมหาเชษะทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านู้นเหล่านี้จงทรงอดัโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่โดยทุกเมื่อไม่มีประมาณสุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบจากความสุขความเจริญในบวรและพุทธศาสนาของพระพุทธมาและพระพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อทื่อเพวกเรามาในที่นี้ก็ดีที่ในประมาณในที่นี้ก็ดีเพื่อทางใโลกาต่างฝ่ายต่างทําำผิดกันด้วยกายกรรม3วัตีกรรมสี่มโนกรรมสาอันใดอันหนึ่งก็ดีพวกเราทั้งหลาย จงให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกตนหน้าอยู่โดยทุกเมือ่อผลชุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแก่ความสุขความเจริญในภาวาระพุทธศาสนาของพระธารมแลพระพุทธเจ้ายิ่งย่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมือ่อเธอนะห้างตูนีชิปมเีเิมีตร บ, บ้าง ยะพังกตังกามังคุเลนเป็นเติทรงมังโลกังบุาเติภวมตจันทีวาพิวาตัสิริษะนิตังวุาปจายนูจการุธรรมาวัันติอายุวันูสุขังภะลังพุทเวณไทยไม่ลำบากทิ้งตูมเลยพดเวนไทรไม่ลาบากทิ้งตูมเลยเขาขอปดเวณไทยผู้ใดไม่โปดเวนให้เขาท่านผู้นั้น หมุกเวนไว้ในโลกพระบรมศาสตราอันไหนอันพระบรมศาสดราไม่สอนไว้มีเลยสอนหมดแลว้วใครจะสำคัญตัวเป็นผู้ฉลาดสักเพียงใดก็ตามก็เริมก้างพระพุทธศาสนาทั้งนั้นจะแต่งกินตะกวีเพื่อแต่งเรื่องกิงให้เขืองเพื่อให้แพร่ในเชิงกาบสักเพียงใดก็ตามก็ออกมาจากคาสอนพรพุทธศาสนาทั้งนั้น ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ทางใกล้ก็ทางไกลจะแตกฉานย่นหรือขยายสักเพียงใดก็าตามก็ออกมาจากคาสอนในพุทธศาสนาทั้งนั้นเหตุนั้นเราพวกทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจึงยืนยันว่าสัทธังพัพยันชนะเจวราปริปุณังบริสุทธิ์ทางพรมัญญายังประกาศเสสิบริบูรณ์ทั้งอัตถะทั้งพยัชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์แนะล้ว ตามมหาปพระวันจังปู ต, งปติยามีตามมหาปพรวันจังศีลสานนามามิจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้แบบโง่ทำคําสอนอันใดเราไม่ได้ปกปิดไว้เลยอานนท์เอ๋ยเธอจะเสียใจทําไมแล้ไม่มีที่ปิดบังเลยถ้าหากว่าเราสั่งสอนพวกเธอทั้งหลายยังไม่หมดเราก็ไม่เข้าสู่พระในพานทีนี้เราสั่งสอนหมดแล้วบริบุญหมดแล้วทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะ สิ่งไหนที่เราไม่สั่งสอนไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้หมดแล้วมันไม่เป็นนิยานี้กรํานําสัตว์ทั้งหลายออกเราจึงไม่เอามาสอนไม่ใช่เราไม่รู้เหตุนั้นเราจึงทรงพระนามว่าโลกระเวือถูรู้แจ้งโลกทุกๆุกประการพวกเราขบคําสอนพระพุทธศาสนาไม่แต่คําสอนพระพุทธศาสนามันเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติภพพูภูนิพพานสมบัติ เปลีภูมิแลว้วแต่เราขบไม่แตกอบัยามุขทุกประเภทมันเป็นมนุษย์วิบัติมันก็เป็นสวรรค์วิบัติมันก็เป็นพรหมวิบัติก็เป็นนิพพานวิบัติอยู่ในตัวด้วยเราดูคําสอนของครูบาอาจารย์แต่งเราไม่สงสัยเลยท่านจะอธิบายย่อและพิสดารขนาดไหนเท่านั้นเฉย แล้วไม่สงสัยพระพุทธศาสนาไม่สงสัยมรรคผลนิพพานเลยในพระไตรปิฎกเราก็ไม่สงสัยเล่มนี้ท่านอธิบายกว้างแคบขาดไหนยน่นลงมาขนาดไหนอธิบายอะไรบ้างเท่านั้นเฉยๆต่จักสงสัยมรรคผลนิพพานเป็นไม่มีเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพสงฆ์ก็ไม่มีเลยสงสัยว่าพุทธธรรมสงศส์ในบริบูรณ์ต่ํากว่า รักที่อื่นๆก็ไม่สงสัยเลยจะไม่สงสัยในรักที่อื่นๆว่าจะไม่เป็นเมืองขึ้นพระพุทธศาสนาเราก็ไม่สงสัยอีกด้วยทำไมจึงมีผู้นับถือเคารพพระพุทธศาสนาน่อยนะักเพราะวารมีอ่อนอยู่ก็จำเป็นจำไปนกหนูปูปีกมแมลงผู้มแมลงพึ่งผู้เกิดในคันในใขรในเท่าในใครและเกิดพดขึ้น จะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาทัางนั้นทําไมจึงไม่มาเพราะวรรมะยังอ่อนอยู่ถ้าบาลามีสังแก่งมาแล้วก็จะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาทางนั้นเหตุนั้นอันนกสะตรโกตโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยกฏิมากกว่ า, สาอสงไขยอสงไขยอีกเสซะด้วยเทียวล่วงไปแล้วพอดีก็เป็นคําสอนอันเดียวกันเป็นศาสนาชาวโลกเต็มภูมิแลว้ว แต่ไม่กลมเห้งให้รับถือหรือไม่จ้างให้มารับถือถ้าจ้างมานับถือแล้วพอหมดตังมันก็ขบุคืนให้มันเห็นเองเป็นสันทิฏฐิโกใช่ไหม ạ? สันทิฏฐิ โ, โกพระโวสดาวันสันทิฏฐิโกรพระตัทธาคามีสันทิฏฐิโกรพระอนาคามีสันทิฏฐิโกพระทหารพระทหานเป็นมหาสันทิฏฐิโกจบแล้วไม่มาโลภ ม, มาโกรธมาหลงไม่มากเกิดแก่เก็บตายอีก สันทิฏฐิโกของพระสมานพระพุทธเจ้าก็เป็นภูมิชั้นที่หนึ่งจะเอามาตีเสมอกันไม่ได้สันทิฏฐิโกพระปเจ ก, ก็เหมือนกันปัจจบันพระสวดบาลปัจจบันสักคาคามียนาคาเมียนาหันพระปเจกพระสมานพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันจะเอามาตีเสมอกันมันก็ไม่ได้ทำำําคําสอนแต่ลรูปธรรมส่งต่อพระใิพ่านทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบารมีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้น เบื้องต้นไม่มีปานาชิกีนการพิเศษที่สาอันนยอดสองนี่ตะปยุติสาปยุติก็สองปฏิเทสนีย 2, น 3, 4, 2, 4, สี่เสียชีวะเจตีผ้าไม่มีเลยทําไมจึงสําเร็จพระหันเป็นเอหตภิกขุประสัมพทาไปก็พระบรารมีแก่กล้ามาแล้วแต่ในวพวกอ่อนก่อนถ้าอย่างนั้นผู้เผยะกตาปูนญตาผูดจะทาความดีมาในปางก่อนมีไว้ทําไมนั่นสร้างบรารมีมามันต่างกัน ดอกบัวสีเรามันก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาครั้งพุทธกาลก็มีอยู่ทุกวันนี้ก็มีอยู่ดอกบานก็บานเติมภูมิดอกตูมก็ตูมเติมภูมิดอกเสมอน้ําก็เสมอนม้ําเติมภูมิดอกใต้น้าก็ใต้น้ําเติมภูมิมันก็ต้องขึ้นอยู่กับบรารมีแก่ข้ามาแล้วเท่านั้นผู้บรารมีแก่ข้ามาแล้วบาทคาถาเดียวก็ไปเลยเช่นบางท่านบราชโชรานังราชังพันธติราชโชรานังราชังพันธติ มันก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนาแต่ก็แจกแตกฉันใปฏิสมิสาสีด้วยนั่นๆๆบางท่านก็นกอย่างกินปลานกอย่างกินปลาก็แตกฉันในปฏิสมิธาสีนั่นนั่นนบางท่านเขาเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักวะเห็นนีครับพอแล้วนะก็แตกฉันในปฏิสมิธาสโยมอีกเรื่ด้วยนั่นเพราะเหตุใดพระบรารมีแจกามาแล้วเหตุนั้นจึงไม่ควรประมาทบรารมีทานบารมีชี้บารมีสัจจบรมีทาชีเนปวิคัสสะอเมอุ ธาแปลว่าทานศีแปลว่าศีลเนแปลว่าเนคขมะสัตแปลว่าอความสัตธาศีเนปะปะแปลว่าปัญญามิแปลว่าปีญิยะความเพียงละชั่วทำดีขะแปลว่าขันติอดทนสิ่งที่ควรอดทนสะแปลว่าสัจจะอะแปลว่าอธิษฐานเมแปลว่าเมตตาอุแปลว่าอุเบกขาภูมิของสาวก ไม่ได้สร้างจนถึงติสมติงสปารามีไม่ได้สร้างถึงบารมีสามชิบชัศเพียงชิบชักพอแล้วภูมิสาวกภูมิพระสมมาพัะพุทธเจ้าก็สร้างจนถึงปรมัตถบารมีสัมพันโนนะทำแต่ระเบิระบาดส่งต่อพรญิภานครั่งพุทธการเรียนจบมัดประโยชน์ก้าไม้ก็เรียนจบ มัดสี่พ้นสีนิพพานหนึ่งนัดนัดนัดนัดนักนัดตรสิกขารวมพลกันให้อาศัยปัจจุบันผู้ใดฉันทาในปัจจุบันผู้นั้นในงอนแงนคลอนแครนเรปัจจุบันพระโสดาบันปัจจุบันสักราคามีปัจจุบันพนาคามีปัจจุบันพระทหารปัจจุบันพระพัจเจปัจจุบันสมมาสมุทัเก้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้นะโมก็เหมือนกัน นโมพระสดาวันนโมสัคตะคาเมียนโมพระอนาคามีนโมพระลานนโมพระพัดเกศนโมพระสมาสมพุทธเจ้านโมแปลรอมนอบนอบนอ บ, นอ บ, นอบมีความหมายอันเดียวกันแต่ยานชัยพยุตต่างกันมากยานชัยยุตคือปัญญาทำแต่ระเบดิดระเบดิดมีปัญญาเป็นหัวหน้าทั้งนั้นผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาปัญญายะปริสุทธิ์จติบุคคลจะบริสุทธ์ ในชั่นเอกเทศคือพระสวดาบันก็เพราะปัญญาจะบริสุทธิ์ในชั่นสักคาคามก็พระปัญญาเป็นหัวหน้าจะบริสุทธิ์ในชั้นพระรหารหรือชั่นพระอาณาคามเมก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าปัญญาเป็นหัวหน้าของธรรมจุกหมวดเหตุนั้นจึงยืนยันว่านักทีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างสูงด้วยปัญญาไม่มีเห็นอณิจังคณะกิดหนึ่งเห็นโรคระบาดนึงแล้วใช่ไหมเอพร่อโรคจะมาด้วยอณิจัง ไม่ขบฏคืนเลยนั่นเห็นทุกคณะกิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมนั่นเห็นอณาจารคณะกิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมนั่นนั่นไอ้ที่แท้อันนี้จังทุกครั้งอณาตามันไม่อยู่คนละมุมโลกก็อยู่ในขนาอันเดียวกันเลยเป็นแต่เพียงจิตเห็นเฉยเฉยใช่ไหมนั่ น, น, น ศีลก็มีในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันนักๆนักหักหนฉันทาพอใจรักให้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรแบบประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตต์เอาใจฟักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสาผิดมันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสีอย่างนี้มีบริบูลแล้วอาจักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเดียววิสัยฉัท่าความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยาเพียรแบบประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฟัก สติและรู้รอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไวนน้นั่นนะั่นลกลงเป็นมัคคะสามัคคีหมดตลงเกินกันอยู่ในปัจจุบันทําไมจึงอาศัยปัจจุบันเพราะจะรวมพลศีลสมาธิปัญญาลงในปัจจุบันจะไม่ได้คว้าหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่โง่แง่นคอนเทนด์นั่นนั่ น, น, น พราใจพิโลกพิโดกกายพิโลกวาจาพิโลกใจกระทู้กายกระทู้วาจาก็ะทู้ใจมาจากคัมภีร์ไหนถ้าจะอ้างว่ามาจากคำพีมโนภูพังก็ถูกความดีความเชื่อก็มาจากคำภีมโนภูพังข้างนั้นถ้าพูดยาวก็เป็นทีฆวัตถ้าพูดคารากาก็เป็นมัชฌิมวัตถ้าพูดอย่างต่ำก็เป็นจุลวัตถหรือเป็นเอกระวัต ถ้าอย่างนั้นสังฆโอมีไว้ทําไมอะสังฆโอมีไว้ทําไหมทูกอธิบายความย่อให้พิสารอธิบะอธิบายความพิสดารมาให้ยอ่อก็อันเดียวกันนะอี่สินสิขาสิกขาคือศินยิ่งของพระสวสดาบาลอี่สินสิขาสิขาคือศินยิ่งของพระจักรทาคามีอที่ศินสิขาสิขาคือศินยิ่งของพระอนาคาเมอีอ่สินสิขาสิกขาคือสินยิ่งอธิปัญญาก็เหมือนกั น, กนอธิ อะไรความเงินกันก็มีคุณค่าต่างกันพราะน้ำหนักต่างกันจะเอามาตีสมักันไม่ได้ศีนสองโลกิยศีลโลกุตระสีลโลกุตระสีลสีนปัจดุบันสีนยัคธาคามีนาคามีอรหันสมาธิสองโลคิยสมาธิโลกุตระสมาธิโลกุตระสมาธิโลสมาธิปัจจุบันยักทาคามีนาคามีอรหันโลกุตระสมาธิโลกุระ ปัญญาก็เหมือนกันนะสีนของโลกีก็สินอสีนเล็กสีนผาสีนบัตรสีนเบอร์พุทโอเลขพุทธโอหวาผาพุทธโธวัตรพุทธโธเบอร์นโมเล็กนโมผาณโมวัตรณโมเบอร์แล้วก็เอาน้โมไปเล่นเลขด้วยนั่นนั่นน่นน่นจะว่ายังไงน่นั่นใครอยู่ระดับจิตใดก็ยืนอย่ันระดับจิตนั้น กามุนาวัจติโลโกสันโลกเป็นไปตามกรรมไม่อยู่ระดับเดียวกันเลยนานนานนนนาพระพเรามศาสนามาแต่ลพระองค์พระองค์ก็ได้เพียงเขาโคเท่านั้นถึงอย่างนั้นก็นับเป็นกฎโกรธส่วนคนโคก็มอบว่าให้พระพุทธเจ้าองค์หน้าอยู่ในตัวด้วยศาสนาได้เป็นเมืองขึ้นศาสนาพุทธทั้งนั้นจบไปพระนพาน ได้ก็ศาสนาพุทธอันเดียวท่านั้เหลือดอกนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยมหาปณิธานสู่รุบิจัปโนชุบปฏิปโนยายักษสามีจิไม่มีในศาสนาอื่นเลยมีในศาสนาพุทธเท่านั้นเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมสุภะตะประกาศทูนพระบรมศาสนาถ้าเขาไม่ประมาทนยักยันยังวิธีของเขาเขาจะถึงชุปิจปโนชุบปยา ย, ายบ้างหรือไม่พระจ้าข้ายา SI เรือยย า, joy, rejo, ยา่อยยเรยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรม ถ้าทํำไมไม่อยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทาได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำชัตถโมโคาตุกาตโบนัมันมีอยู่ทุกขนทุกแห่ง อ, อ่ำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทาคติเพราะรักรัติอื่นรังเกียจพระพุทธศาสนาร่าเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติเพราะโกรธท้พระพุทธศาสนาร่าเอียงเพราะเขาเรียกโมหคติเพราะ คบพระพุทธศาสนาไม่แตกเรียกว่าโมหะคติลำเอียงพรากลัวเรียกพยาคติเพราะเก่งจะพิจัยท่านผู้อื่นก็เลยไม่เขารบนับถือพระพุทธศาสนาซะ น, ะนั่นนั่นเรียกพยาคติอคติสี่ประการนี้ไม่ควรนับถืพระบรมศาสนาที่ไหนพระบรมศาสนาไม่สอนว่ามีเลยใครจะสําคัญว่าตนฉลาดจะเทียงไหนก็เลี้ยก้างพระบรมศาสนาทั้ง น, นั้น ไม่เอามาออกมาจากทางตรงก็เอามาออกออมาจากทางอ้อมเอามาจากคําสอนของพุทธศาสนานั่นเองที่ทรงพระสะนเสริญ่ะพระอนุรุตธเข้าฌานทันพระบรมศาราก็ไม่เสี่ยวพระบรมศาราทรงสนเสริญพระสาธีบุตรมีปัญญามากก็ไม่เสี่ยวพระบรมศาราทรงสนเสริญพระโ ม, มกคันธามีฤทธิ์มากก็ไม่เสี่ยวพระบรมสารา ทรงสรรเสริญพระศรีวลีมีลาบมากก็ไม่เสี่ยวพระบรมศาสลาแต่พระบรมศาสลาฉลาดในเทศนาวิธีเฉยๆให้เกียรติบุคคลที่ควรให้เกียรติไม่ได้หวงเกียรติไว้คนเดียวเป็นผู้เทศนามีปัญญาทรงพระปัญญา ม, มากเทศปลอบโยนเช่นพระอานุ์เทศขู่เช่นเทศพระธุทินเทศย่อก หรือปอบโยนเทศพระอานุ์เทศย้อนถามเทศปัญจวัคคีย์ย้อนถามทําไมเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดไม่ใช่พระบรมศาสดาไม่รู้ทุกขงังปัญเจเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกขงังปัญเจเป็นทุกข์พระเจ้าข้าถามเพื่อให้ผู้นั้นเข้าใจชัดไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ใช่พระบรมศาสดาไม่รู้บางท่านยืนยันปฏิจจสมุปบาท ไม่เรียงปฏิจจสมุปบาทมมว่าอย่างนั้นสมุติปปบาทเนะที่พระองค์เรียงก็เรียงเพื่อให้สมภูมิพระองค์ด้วยเพ่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดด้วยไอ้ทีแท้เทมื่อกิเลสมันแตกกระเจิงไปแล้วเพื่อนพระพาหิะอย่างนี้ท่า น, นเรียงปฏิจจสมุปบาทที่ไหนท่านก็แตกกระเจิงเลยเป็นทศกัณฐ์ก็รู้เป็นทศกัณฐ์ก็เห็นครับพอแล้วโยมอีกด้วยหนักห น, นักศีลอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่ไหน ก็ศีลสมาธิปัญญามันรวมพลเป็นอธิศีลสิ่ขาศกขาคือศีลอย่งอธิจิตตาศีขาศกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาศกขาศกขาคือปัญญายิ่งคือยิ่งในพระสวัสดียิ่งในพระอรหันยิ่งในพระสวสดาบันก็ยิ่งแบบหนึ่งยิ่งสักขทาคามีก็ยิ่งแบบภูมิของข้อยของมันยิ่งพระอนาคามีก็ยิ่งภูมิของข้อยของมันยิ่งคุณของพระอรหันก็ยิ่งของขอยของมันยิ่งคุณของพระปฏิเกตก็ยิ่งคุณก็ของถอยของมันยิ่งพระสมาสัพพิเกเจ้าเป็นชั้นที่หนึ่งหนัก ขาห้ามไม่ให้พูดมากกรรมฐานในพุทธศาสนามีสองกรรมฐานเพียงรูปเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปกรรมฐานเพ่งอารูปเป็นอารมณ์เรียกอารมู ป, ปรกรรมฐานถ้าตายคารูปกรรมฐานก็ไปเกิดพมโรคถ้ากตายคาอารมู ป, ปรกรรมฐานก็ไปเกิดเป็นอา ร, ปปรมูปภมส่วนพระองค์ไม่ได้ติดอยู่ในที่ใดหรืปารานสุนีเต่าเยโมกอันนี้วิจเต่าเยโมกอับอั น, นิเหเต่าเยโมก รู้เนตาสมาธิอนิจตเป็นิหิตตาสมาธิอปนาหิตกับสมาธิพระไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลว่างอยู่ตามธรรมชาติแล้วทีนี้ปัญหาโลกแตกปัญหาโลกแตกก็ยังมีอยู่ยังเถียงกันอยู่พระผู้ใหญ่ก็พอฟังอยู่ตาให้ผู้น้อยสนใจว่าบางท่านก็บอกว่าพระนยพานเป็นอัตตาบางท่านก็บอกว่าพระเนยพานเป็นอนัตตา แล้วก็ศาสตร์กันใส่หนังสือธรรมจักสุอยู่แต่ก็ดีอยู่ต่างให้ผู้น้อยนะพิจาจนาว่าก็สัพเพธรรมะอนัตตาติเอ้าแล้วก็มีคําสอดเข้าไปว่าทํางฝ่ายเกิดฝ่ายดับใครเป็นเจ้าของคือพระนิพานทําฝ่ายไม่เกิดไม่ดับคือสังขารในความทุกข์ใครเป็นเจ้าของก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นไม่เกิดไม่ดับมีอยู่ทุก สมัยของโลกคืออริยสัจสี่ก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาใครจะมาตรัสรู้หรือไม่มาตดัสรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นใครจะมาทำลายหรือหรือไม่ทำลายก็ทำลายไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับชั่เพธรรมานาตตาตินั่นเองแต่ว่าเราจะไป อ, อนาตตาพระเนพานมาเทียบกับอนัตตาสังขารมันก็ยุ่งเหยิงเพราะเอาลูกเคย กับพ่อตามานั่งเตียงเดียวกันอ น, นัตตาในพระานเป็นของลึกซึ้งอนัตตาในฝ่ายสังขารเป็นของตื้นกว่านั้นมดมันก็มัดเรื่องเท่านั้นนะกหนัก น, นพระ涅槃เป็นของว่างอยู่มีอยู่ไม่มีใครเป็นเจ้าของทำฝ่ายเกิดฝ่ายับคือฝ่ายสังขารก็เป็นของว่างอยู่มีอยู่นักไม่มีใครเป็นเจ้าของ เพราะชอบก็สอบเพศสมาชิอนัตตาที่มันก็ต้องแยกออกซีเช่นมนุษย์อย่างนี้เราจะไปตีเสมอกันก็ไม่ได้มนุษย์ที่มีกิเลสแล้วไม่มีกิเลสก็ต่างกั น, น, นมนุษย์พระสมาชิกพระเจ้าจะเอาไปตีเสมอเหมือนกับมนุษย์สาวกมันก็ไม่ถูกอนัตตาก็เหมือนกันนักนั่นเห็นอนัตตาตื้นเกินไปก็เถียงกันที น, นี้พระนิพพานไม่ไมาเถียงกับใครใครเป็นผู้พูดอยู่เดียวนี้ก็คือสังขารในกองทุกข เพราะนี้พาเมามาพูดด้วยเมลามานึกคิดด้วยทําแต่และวัฏวัฏฏ์เกิดขึ้นแล้วก็แร ป, ปวนได้แตกสลายไปทําฝ่ายวิกิสังขารจิตะสังขารเน่ยเอ้าพระอรหันต์มีอยู่ในโลกหรือไม่ถ้าเทียบเป็นลุคลาธิฐานพระอรหันต์ก็ต้องมีอยู่ในโลกเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคถ้าจะเทียบในทางปรมัตพระอรหันต์พิว่าอะไรจะมาอยู่ในโลกพูดในทางปรมัต โรคมันก็มีแต่สังขารโรคสัตว์โรคงูโอกาสโรคมันเกิดแปปล้วแปลปวนแล้แตกสลายนับนับนับนับนับนนับ น, น, นที่บัญญัติว่าพระบรมาศาสดาเสวยมุติสุขอยู่ที่นั่นที่นี้ก็พูดเป็นบุคคลาทิฐานเพื่อให้รู้จักความหมายเช่นพุทคโลอุปรับคติสักคีกัถโถปรมัตโถอย่างนี้ก็ดีบัญญัตพิพระสวสดาบาลสักขาคามีอานาคามีอาหารหันต์บัญญัติปุถุชนไอ้แท้แท้พระอรหันต ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนั่นนั่ น, น, น, นั่เป็นธรรมอนไม่ตายแต่ก็บรรยัตเพื่อเป็นบุคคลฐานก็นให้รู้จักความหมายกันเพระบรามาศาสตราเสวยมุติสุขอยู่ที่นั่นที่นี้เท่านั้นวันเท่านี้วันพระบรมศาสตราเสวยอันไรใครจะไปรู้ได้เพราะเป็นพุทธวิสัยก็พูดเพื่อให้รู้จักความหมายกันท่านสําคัญตัวอยู่ในที่ใดใครจะรู้ได้นั่นนั่น รพระหร น, นรักษาจิตไม่พระหันเวลารักษาจิตเพราะจิตไม่มีโทษจะรักษาทําไมนักเพราะไม่ไมยึดมั่นถือมันในจิตจะรักษาจิตทําไมใจเป็นสักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัตตนาทำที่เป็นกุศลและกุศลเที่มันเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทํานีรร้ก็สักว่าทําไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัตตนาเมื่อท่านไม่สําคัญใจเป็นตนตนเป็นใจแล้ว จะถือว่าท่านรักษาจิตอยู่ก็ไปกล่าวตู่พระรหันธ์ถ้าพระรหัน์รักษาจิตพระรหัน์ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะเกรงว่านักโทษจะทำลายตนด้วยเกรงว่านักโทษจะนี้รักหนีด้วยก็ไม่เหมือนกับคนคุมนักโทษพระรหันธ์ไม่ได้รักษาจิตเพราะจิตของท่านไม่มีกิเลสท่านจะรักษาทำไมแต่พวกเราไม่รักษามันก็ผิด จ, จริงจงเอวังเอารักทีนีแต่ทาทั้งหลายไม่เอวัง ทำไฟเกิดไฟดับก็มามีกลางวันกลางคืนทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีกลางวันกลางคืนก็ไม่มีเอวังดังนี้ครับใครเลยไม่มีนิสีตังเลยเอาละที่นี่ไรก็เฮียนลายมาทุกคนตัวทองสิแตกบเชียบพุ่งมากพิ่งแหงรือเ่าน่นบอกเพราะัณนีจะถืเอามาวาอย่างนี้ว่าฉันบอกทุกขาทองสิแตกเดียวนี่เนี่ยเน่นบอกเพราะปัณนี้เสีย้าวว่าอย่าว่าฉันบอกเนี่ยนบอก ทุขาท่องที่แตกอะไรอย่นี้ว่าจะไปยังไปเอาอะฮะเนี่นอกไปเปจุกไปจุพระธรรประสงค์มาตรามันจงโมมีปัญหาเออเศษน้ลไรเพื่อได้เศษกิริเพื่อใด้อันาย่ในใจโลกธาตุนับต่พุ่มมาโรงมากอมันบวมห้องผู้ใดได้ยเนี่ยมันเป็นเมื่อขึ้นของมาพูดพระธรรมระสงค์พันดอกไม้เพลินบูซาเพิินน้ำไรเพลินบูซาเพิินสีวาจังไรสันข้าจะวามัน้องเข้าเออ ขนาามาของเข้าขันดรายก็ติดอยู่ขันใน้อยก็เสียใจแมน่นบ่นั่นอันนี้ปยังมาเฮ็ดังซีเราะฉะนั้นมีปัญหาอพี่านาเนี่ยยุทเทิงุนพุทธสรุปเจ็บอยูุ่่นีูวิันอยู่เล่าสิทีเอาพุทธรปช่วงนี้ออกไปไว้พุ่นที่เอาพุทธรุปช่วนี้ออกไปไว้พุ่นแล้วจ่งิมยางสิเกินไปยุทเทิงเพราะฉะนั้นขัดไปยุทเทิงนะมันคัดของกับพุทธรปช่วงนี้วัตทุมะักโคนิ่ผ้านั่ง นิพพานั่งพุทธช่ำสงอ่าแท่กันไปร่วมคิ้วกันอยู่ในนผ้าพุทธช่ำสงแท่ไปร่วมคิ้วกันอยู่ในิพ้าเออเด้อเด้อเด้อ เ, เ, เอาผามาถวายเพื่อนพูดระผืนระผืนมาเป็นธรรมเนียมมีอยู่กับเอาให้แน่เพราะมันเป็นธรรมเนียมของภูเข้าเออ้ยของยังเสีย ม, มาเฮ็ดยังหมดทีว่าบ่ไม่เป็นธรรมเนียมถวาย ไปไปทำทลายพูดละผือระผืนไปไปทําทำลายถลายไปหมดอถลายไปหกลอยพื้นแล้วหกเจ็ดแปดลอยพื้นแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมของพวกผู้ฆ้าแล้วก็ถลายไปเออเอาว่างไว้นี่ก็ได้ไงระยไปจะกว่ยมันจะมาแล้วรยาไปจะกว่อแล้วพุทธศาสนาก็ต้องไปจบกันที ถ้าไม่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเ้าของไม่มีกิเลสมันก็ไปจบกันที่นี้ถ้ายังมีกิเลสอยู่มันก็ไม่จบแล้วก็เนี้แปลกเหมือนกันผู้ที่สํมกันตัวเป็นพระรหันหน้าเบื่อเหลือเกินเราเคยโลภมันไม่โลภเราเคยโกรธมันไม่โกรธเราเคยหลงมันไม่หลงมันก็เป็นพระรหันเท่านั้นเอ จะ่รู้แต่ฉันสักเพียงใดกว่าตามถ้ายังมีร่เมีโกรธมีหลงอยู่มันก็ไม่ใช่ภาลานมันก็กว ด, ดง่ายๆเราไม่มีเงินสักตังจะให้เขายุให้เป็นเศรษฐีดอกเป็นม้าดอกหรือนั่นอะไรูรไเอาละหน้าที่นี้นะ ทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็ไม่มีเอวังทาฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีเอวังก็ไม่มีนิทิตังนิทิตังแปลว่าจบเท่านี้ไม่จบเลยทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็เกิดก็ดับอยู่ไม่มีกลงวันกลางคืนทาฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีทำอะไรลงธรรมาะเราเทศเนี่ยสมมุติว่าลงธรรมะสมมุติว่าเอวังสมมุติว่าหยุดเพียงเท่านี้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 ใครจะรู้ตามไปจริงแล้วไม่รู้ตามไปจริงก็เป็นเรื่องของจิเลสผู้นั้นเท่านั้นทิงทั้งปวงมันไม่ใช่จิเลสมันเป็นจริงอยู่ทําไฟเกิดไฟดับก็ไม่ใช่จิเลสทํำไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่ใช่จิเลสแต่ว่าจิเลสไปหลงไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่ไหมเอาละทีนี้ <c oughs> <c oughs> คนตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจการพัฒนา เหตุน <S. S>. ั้นจึงบัญญัติว่ารูปคิดเจตตสิกนิพพานเถ้าสิ่ตายได้่ยทว่าคุณหนูอยู่มันสิแม่นบอกเอ่ออันพรนิพพานที่ว่าบัญญัติไว้ใจอยู่พระนิพพานไปยอตายอ่ะเอาใจไปถึงแต่เข้าไปแม่นว่าเถ้าสิตายเนี่ยที่ว่าบัญญัติยัดว่าคุณหนูคุณหนูอยู่มันถึงบ่าแม่นว่มันก็เป็นไปอันอื่นหเอกอว่าไป แล้วก็โอนถึงพระสมานพระพุทธเจ้าเลยมหาเทระชั้นที่หนึ่งคือพระสมานพระพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองพระพระเก 3, รจกทั้งหลายชั้นที่สามอรหันต์ตาชีนาศกทั้งหลายชั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระจกากะทาามิทั้งหลายชั้นที่หกพระโสดาวันทั้งหลายพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้ ที่เป็นโลคุตระเถระพวกเราทั้งหลายได้ทำผิดท่านร่ายกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบ ก, ก, ก, ก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงวดทอดให้พวกเราทั้งหลายอยู่โดยทุกมือผลนทุดท่ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในมบวพุธศาสนะ ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่ทุกทุกโดยชอบโดยดว่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมือ่อทื่อในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีเพื่อทั้งไตรโลกาต่างฝ่ายต่างทําผิดกันด้วยกายกรรมสามเมื่อกีกรรมสีมโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกทวดหน้าเพื่อทั้งไตรโลกาต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกทวดหน้าอยู่โดยทุกเมือ่อผลทุดท่าย พวกเราจงประสบจากความสุขความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาของพระสมานพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่ถุกทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทื่อร่างตรงเฮียฮิปิเมศของอเ ม, มตาวางังยัชาปาปังกตังกัมมังบุตรเลนะพหิญาติสุงังโลกังบา พ, าพะเจติอภโมตุวจันติมาอภิวาทนาสีนิสานิ จ, จังมุฒาปิการโนจัตารธรรมาวัดดัชนีวัดทันติอายุวโนสุขังภะตัง ว่ามาคตเป็นไทยถ้าว่าว่ามคตเป็นมคตก็น า, นาชีใส่ไม่โทปฏิบัติเพื่อพ้นทุกปัญหามาหลายเด้อปฏิบัติเพื่ออื่นปัญหาหลายแล้วเพื่อขี่วอดบินทบาทเสนาสนะนเทพรัตนขัดเข้าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกมันกา แปลว่าอุดมคติอุดมคติเป็นหัวจักมันดึงวัตถุนี้ก็ไปน้าตันเอารวยห้าบวชเพื่อผลทุกมีเกตนาเท่านั้นผู้อื่นเฉื่อยเฉลิมใส่พเพราะเฉลิมใสมันก็เป็นชิดของเพิน่นผู้อื่นฉีมากินมะธาต น, น้ําเฮาหรือบะมาก็เป็นชิดทองเพิน่นบะมันสินตทองเฮาชิดทองเฮาเมีนาทีที่ปฏิบัติเพื่อผนทุกเท่านั้น เท่าวินาที่ไปบินท่าบาทเท่ากับไป่สี้ยดท้องเอ้าสี่ข้นไฮประคร้นไฮเป็นเสี้ยดของผู้อื่นขนเรป่านนี้นะกัจักสีบอกจังไรไปอีกแล้วเนาะมันก <laughs> ็วนัววนสีบอกเลยมันมืดอารถพิว่าอย่างไรสั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าพิกษสัวทั้งหลาย เธอจะไปไหนอยู่ไหนก็ไปเพื่อปฏิบัติพ้นทุก์อยู่เพื่อปฏิบัติท้นทุกถ้าเราไปในทางทิศนั้นมันจะมีลาบเธอทั้งหลายอย่าไปสมาธิสมาบัติไม่จเจริญถ้าเราอยู่ในที่นี้ลาบยศชนะเสริญจะเกิดขึ้นเธอทั้งหลายก็อยากอยู่เธอทั้งหลายก็อยากคิดไปอย่างนั้นจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็าตามเถิดจะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข ในวัฏะสงสารตามสติกำลังของตนอยากไปก็จงไปเถิดอยากอยู่ก็จงอยู่เถิดอาบัตทุกกฏในส่วนนี้ไม่มีแล้วเพราะบรมศาสดาแต่ถ้าทำผิดด้นอื่นแม้ก็มีอีกบรรกันแต่ในอาบัตทุกกฏส่วนนี้ไม่มีท่านพูดอย่างนั้นพูดเจ็บไหมเพราะบรมศาสดาปฏิบัติเพื่อเพลินทุกข์อยากไปก็จงไปเถิดอยากอยู่ก็จงอยู่เถิดจะอยู่จนวันตายก็ไม่เป็นปัญหา ขอให้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติเพื่อคนทุกเท่านั้นจะไปจนวันตายก็ไม่เป็นปัญหาเพป่นนอนเรียกขนมหลกหลามอยู่แน่ะแม่นหมอมู่โตสนุกแม่นบมหลวงปู่หลวงปู่เทศข้าวเนี่ยโแผ่นดินไหวเลยหลวงปู่พระผู้เฒ่าผู้แกบัติถิ่มขันเขามาถิ่มขันในวันอัตขัดเรียกว่าเทศแผ่นดินไว้ข้าวเนี่ย นั่นท่าประโยชน์ให้แกลูกหลานตอนชุดถ่ายหลวงปู่้อยย่อมถิ่มขันเยาวนพุนธม้อย่อมมัดถิ่มขันในผู้ในเขาในปลางูเหลือมบ้อย่อมตายเกือกเลือดหลวงปูเ่เฮาเนี่ยมูโตวเป็นของเล่นผมเม็นมุบมันนั่นหลวงปู่เทศเนี่ยสมสมชื่อคนนี้ดีเลยเทิดเลืกได้ เ, เ, เ, เข้าเดียเออ เพื่อนวายเฮาอยู่ตัวตายอยู่ผู้จักรกระบ้อสั่เพ่อนวายเพื่อเาอาไปตามอันก่อนมันจะเี่ดอกเฮ้ากับเพื่ถือกันเนาผู้ใดคือประมาทแต่อีพอกูแท้ว่าสั่เฮาเขาได้นอนไอ้คนเหยียบค้อไ้คนเห็นพระผู้นั้นโยมมันคือประมาทอีพอกูแท้ว่าสั่งเฮาเพื่นหัวใจเข้าเพื่นยังมาวาเนี่จีมะเหยียบกินที่แตกยังโบเห็นเพื่นวา นั่นพ้นหงจักเข้าอยู่หองลวงปู่หงจักเข้าอยู่ผู้อื่นเนอจ้างพ้นก็ะเเห็นทหารันหงจักกระเพาะเห็นพ้นาเนี่ยมาหยับกระิตแจกยังกรเพาะกระิบมามันมีประโยชน์นี่ยังก็ะิบมาตัวอันี้มาได้กระติบยังหยับยู่นนี่นั่นนั่นพ้นงชักนีสยห่อหลวงปู่เนี่หายากเลยนะพระคณะนาซ่าออกไปถิ่มขันอยู่ในบทอัตคัดผู้แผ่นดินดี่ยังข้านี่ มันก็มีประโยชน์แกผู้ยุ่ผู้ยู่เขาตัวสิว า, านี่สัง่งเมีนบอกนัเนตเป็นยางย่างอ่ะนัทนันเท็เล็กเทเดบาดเน่ยแล้วมันเท็ด ต, ตื่นเลยหลวงปู่เท็ดเล็กก็แค่ไ้ฟังเท็ดว่าเป็นข้าวนีผู้ดันเกิดบมกระสานะฮะนีน่สสวานี่ก็ว่าตัวทีนี่เอาละเมนบอกพทโธทัธมโมสังโกนี่พา่างทโทัมโมสังโกนี่พาร่างนะ พุทธแท้ทำแท้สงแท้คือพระนิพพานพุทธทำสงเบื้องต้นพระสวดาบาลพุทธทำสงเบื้องใต้คือพระรหันท์ทำแต่ระบทระบาดส่งต่อพระนิพพานทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบารมีแก่ก้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นกรรมฐานในว่าพุทธศาสนามันย่นลงมาก็มีสองกรรมฐานเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็รูปกรรมฐานเพ่งอารมณ์ปเป็นอารมณ์ก็อารมประกรรมฐาน รูปและอาลูกเกิดขึ้นนี่ก็แปรปวนและแตกสลายไปทำแต่ระบาระบาดส่งต่อพระนิุพาน์ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบรารมีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยเพี่อันมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฝักไฟในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบรดีบุญแล้ว อาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปริยพิเอญในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและริกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้นั้นนั้นทำทั้งหลายย่นลงมาเป็นเอกในบาตถ้าพูดมากก็เป็นมหาวครคหรือทีขวักถ้าพูดขนาดกลาง ก็เป็นมัทชิวัตหรือมัธยมวัตถ้าพูดอย่างยอ่อก็เป็นจุลวัตย่อลงมากว่านั่นก่อกนเอกนิบาตคือมโนโปุพังคมาธรรมามโนเสถ้ามโนมยธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ปัจจุบันนันจโยธรรมผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนแง่นคอนเคนเลยพระมศาสดารวมศีล ส, สมาธิปัญญามาอยู่ในปัจจุบัน ทำแตระบาระบาดส่งต่อพระเนิพาลทั้งนั้นนโมตัวเดียวก็ส่งต่อพระเนรพานนั้นทั้งนั้นใครเรียนนโมจบก็พระทหารเท่านั้นเรียนนโมจบนโมแปลนอบน้อมพระทหารนอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกนอบน้อมจนไม่มีโรคมีโกรธมีหลงใช่ไหมทีนี้นโมพระสุวดาบันคือนโมอะไรนอบน้อมไม่ถือศาสดาอื่นนอบน้อมจนไม่ล่วงละเมิดชิ้นห้า นอบ น, น, น, น้อมไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดอบ า, ายามุฒไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เช่ได้อยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียได้อยากจะพบมิตรชั่วไม่เช่ได้อยากจะจองเวรท่านโูใดไม่เช่ได้อยากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นใเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าพเจ้เป็นอาหารค่าขายน้ามันค่าขายยาพิษการค่าขายสิ่งเหล่านี้พระโสดาบันไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดเลยนะถ้า ถึงพระสวัดาบาลแล้วสักคาคามีอนาคามีก็เปิดประตูไปเองในตัวถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นโลกีน้าโมโลกีคือนา้อนาโมอะไรน้าโมเลขนา้าโมผาน้าโมวัดน้าโมเบอร์น้าโมลงนรกใช่ไหมแต่นา้าโมไม่ได้ลงนาลกตนเองน่นลงนรกใช่ไหมนี่เ <laughs> ช่นพระพาหยะเรียนจบแล้วทีนี้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้ว ่พระก่อนทำชั้นสูงทีนี่ขอให้พระบรมศ า, ศาสดาเทศให้เขาฟังด้วยเขาเป็นโยมอยู่เออในเวลานี้เรากำลังบินทบาทอยู่ไม่สมควรทำไมจึงพูดไปอย่างนั้นเพราะพูดไปตามกรอนพาไปแต่รู้แล้วพอมองเห็นพระพอมองเห็นพระพาหยะก็รู้แล้วว่าโยมคนนี้มันจะสำเร็จันฐันในวันนี้ เออถ้าไมปารลแพ่เก้าฟังระวางทีเพ่อบาลมสาสตรดา ท, ทิ้นลมปานเดี๋ยวนี้ก็ได้ดังทีเก้าก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นแต่สักว่ารูป้เป็นแต่สักว่าเห็นเนอะครับพอแล้วนั่นนันนนั่นเพราะเหตุใดเพราะเขาสร้างบาลามีมาแก่กล้าแล้วทําแต่ละบดระ บ, รบาทมันส่งต่อพันธุ์พานหมดมันขึ้นอยู่กับผู้บารามีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นคําว่าเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่เหนสักว่าเห็นครับพอแล้วนั่นคือแตกฉานล้วไปสัมิทาสีแล้ว คือไม่ยึดผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ยึดถือว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นอุปาทานมันก็เตะกระเจิงไปเลยอัตวาทุปาทานกามุปาทานถือมันในกามทิฏฐุปาทานถือมันในทิฏฐิสีทธาตุปาทานถือมันในสินพรตอัตวาทุปาทานถือมันวัฏวะตนวัฏวัวมันก็แตะกระเจิงไปกิเลสก็ไม่มีใช่ไหมนั่นนๆๆั่ภาชิตเดียวเท่านั้นผู้บารมีแก่กล้ามาแน่อ่ะ ผู้ปานมียังอ่อนอยู่แกเทศถึงพระเนปาลพระเนปาลพระินพาลพระเพปาลอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ถึงใช่ไมั่นนั่นนั่นพุทโธไม่พามาเกิดพุทโธไม่พามาแก่พุทโธไม่พามาเก็บพุทโธมาพามาตายธโมทรงไม่ซึ่งทำอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายสังโฆปฏิบัติเพื่อไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายลกรงพุทโธธโมสังโฆก็เป็นเชือกสามเกลียวเหนียวอยู่ที่ดวงใจใช่ไมั่นนั่นนั ต่อไปนี่ก็มาจากองค์หลวงปู่แล้วท่านก็เทศทั้งสูงทั้งต่ำให้ฟังแล้วก็มาทอดต้องอธิบายให้มากล่ะเพราะเหตุใดเพราะมันจะคำํำทำไมจึงมาค้ำแท้คือจังเาสิมาอันฮอดบายสามตักฮอดบายหาหมนแม่บอกมันคดมูมากแม่บ่ะนี่ประโยชน์ด้วยอะการสิ่งสัญใดจึงได้ทุ่งรั่วผันดวงลบมากพี่ทั้งหอมหายหัวผู้สนหนีบ คนฤาษีดเดชประกาศสิมาใดดังใ ด, ง น, ด น, น, น, น, นี่นี่ดีนะค่ำโบราณแม่บอกนั่นกินตะเกี่ยวเพื่อแต่งเรื่องจริงให้เขืองเพื่อให้ไพเราะในเชิงกาบเพืพ่อไหนะเก่งปั้นไหนตะเก่งไปเทเมพระพุทธเจ้าเทศมดแนวก็เรียบกลางพระพุทธเจ้านะัฮะแม่บ่กพวกกินตะเกวีวเพื่อมาแต่งเรื่องนั่นเรื่องนี่ย่างนั่นอย่างนี่นว่ามันของโตซะบิเทพระพุทธเจ้าเทศมดแน่ จัดถังสัพพยัญชนะงเกวราปริพุนังปริสุทธ์ทังพมเมจาริยังประกาศเสสิตามมหารประขวันตังอิสุติยาเมตตามมหารประขวันตังศีรสานามาวิบริพุนทั้งอัตฐะทั้งพยันชนะแล้วจึงยอมกราบยอมไหว้ไม่ได้กราบไหว้แบบโ ง, ง่ถ้าทําทั้งหลายไม่บริบูรณ์เราตถาคตก็ไม่เข้าสู่พระนิพานอานนเ์เฉยมันบริพุนหมดแล้วพระเจ้าองค์ไหนองค์ไหนก็มาเทศอันเก่าเอสะธโมสนันตโน พระพุทสมาธพระพุทธเจ้าเป็นศาสนราเอกในโลกมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติบริบูรณ์ลเลยไม่บกพร่องเลยมนุษย์ไมบัติสวรรค์ไมบัติพรไม่บัตินิพพานไม่บัติคืออะไรก็คือเลขเล ข, เ ล, ขลากๆนั่นเองอเห็นกงจักรผ่นว่าเมื่นดอกบัวเห็นเจ้าหัวเป็นไปผูกเอาเลข พออยายามทุกข์ให้เลียนเลขหลายๆพออยายามจีบหายให้เลียนเลขบ่อยๆเล่ยนเท่าเล็กเล่นะน่อยก่อนจีบหายคือกันหน้ากระบอกห้ามีไฟไม้เขื่อนไม้ซ่านมันกระไม่เจ้เื่อนเจ้าซ่านไฟไมเลขกหม้ผ้าไม้ฮอดสีดินอีพออีเมคอยเอ๋ยแมนบอผู้หวังพ้นทุกข์ในวัตรสงสารต้องไปทังรัดพาะบาลแล้วไม่กลามาแล้วพี่กนากองทุกข์ เขีทุกลมหายใจเขาออกยิ่งดีมันจังสือเบื่อนายันนเะทําไมพระบรมศาสตราจึงให้อาศัยปัจจุบันก็พระจะรวมศีลสมาธิปัญญาลงในปัจจุบันไม่ได้ข้าหาไม่ได้สงสัยหาศีล ส, สมาธิปัญญาของพระฉรดาบัณฑ์ศีลสมาธิของจักรทาคามีศีล ส, สมาธิของพระอนาคามีศีลสมาธิของพระอรหันต์จักเอามาเทียบกันไม่ได้ ปัจจุบันพระสสดาบันปัจจุบันสักตาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระอรหันต์จะเอามาเทียบกันมาได้เพราะมีน้ำหนักต่างกันพุทธะสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธะจำพวกหนึ่งปจเจกพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธะจำพวกหนึ่งพระอรหันต์สี่จำพวกสัมมาสัมพุทธะอรหันต์ปจเจกอรหันต์สาวกอรหันต์สาวิกาอรหันต์ อันหันศีกระพอกอีกซุกขยปัปตะโกเตวิโตชระเปญโยปฏิสัมพิทัปโตนั่นมีมากทำแปลว่าทมโลกีทำก็มีโลกุตระทำก็มีศีลมีสองศีลย่นลงมาโลกีศีลโลกุตระศีลสมาธิก็มีโลกีสมาธิโลกุตระสมาธิปัญญาก็เหมือนกันนั่นนั่นปัจจุบันก็มีมากปัจจุบันที่เป็นโลกีปัจจุบันที่เป็นโลกุตระปัจจุบันที่เป็นโลกุตระก็แบ่งออกเป็นสี่ตามชั้นมรรผล ทีน่นี่เขาก็มาถามหลวงปู่ในระหว่างสองสาวันนี่ผมเป็นข่าวสดว่าอย่างนั้นผมเป็นข่าวสดแล้วมาถามว่าพวกภาวนาพุทโธนี่นะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟั่นหรือไม่อันนั้นไม่สำคัญแล้วก็พูดอย่างนั้นผู้ผู้ที่เขาทำผิดเขาก็ว่าเขาเป็นลูกศิษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน ผู้ที่ทำถูกเขาก็ว่าเขาเป็นลูกเสียพระัมม า, าทั้งพุทธเจ้าเหมือนกันการอ้างมันไม่สําคัญดอกเราก็พูดอย่างนั้นมันสําคัญอยู่ที่ความประพฤติเราก็พูดอย่างนี้นลงไปภูเก็ตพังงากับองค์หลวงปู่ที่นี่เราไปเที่ยวคนเดียวเขามาถามเราเหมือนกันหลังหลวงปู่มั่นนิพพางถวายพระเพลงเนีล้วพระนักเรียนมาถามจะไม่นั่นเราอายุ สี่สิบปีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มหานิกายเขาทำมายุทธอันไหนดีเออพระบรมศาสนามาได้ยืนยันว่ามหานิกายที่ทำมายุทธเป็นสาวกของท่านท่านยืนยันแต่ว่าสุกขจัโนทุกขญายะสามมีจิตเท่านั้นเป็นสาวกของท่านถ้าไม่ได้ยืนยันว่ามหานิกายที่ทำมยุทธ์เป็นสาวกของท่านท่านยืนยันตั้งแต่ว่าสุกขจัรพโนทุกขญายะสามมีจิตจับตาดีคู่แห่งบุรุษสี่คู่แห่งบุรุษสี่คืออะไร ดาปฏิมากสโดาปฏิผลเป็นคู่ที่1สักระตาคายมาคสักระตาคยผลเป็นคู่ที่2อนาคายมาคอนาคายผลเป็นคู่ที่3ามอรหัตมาคอรหัตผลเป็นคู่ที่4นับเรียงองเป็น8ปดหนโซดาปฏิมาคโซดาปฏิผลสอโซดาปฏิผล3ามสักทาตคายมาคสสักระตาคายผลห้าอนาคามาคกอนาคายผลเ็อรหัตมาคแอรหัตผลเอสรพบะบวัตตตั้าทั้งโคนี้เอสาวของพระพงวภาคเจ้าอาวนยยวานยตักจีโย อันชรีกรณียอนุตตรังพุนยักเกตตังโลกัสาติเป็นของควรทาบุญเป็นของควรกราบไหว้ผู้ไหว้ไม่ต้องกระดา ก, กระเดืองเป็นของควรรับทักศินาทานเป็นเขตบุญของโลกไม่มีเขตบุญยิ่งไปอื่นไม่ได้กล่าวว่าธรรมายุทธหรือมหานิกายเป็นสาวกของท่านนี่ความจริงเป็นอย่างนี้ในพวกนักเรียนท่นเออพูดอย่างนี้ก็พูด น่าฟังมากไม่พูดเข้าข้างตัวว่าอย่างไรนะเนีน <c oughs> ันเป็นจริงอย่างนั้นนี่พระเฮาอยู่นี่ปีนี้หลายแล้วพระเฮาอยู่นี่เออแปดเสียปวนะพา <48. S 1> ะ, <48. S 1> ะท่านพูดแปดเสียแปดบอกจ <48. S 1> ีโอเสียแปดบอกเฮาเฮาปีนี้เนะ่ะปีมัติตายเฮา ทั้งพาทังเน้นแปลที่เวสขุนหเน้นเจียเ๊ยบองเหลือด้านพาะระบัดรความเจริญความเสื่อมความเจริญความเสื่อมไม่อยู่กับความน้อยแล้วมากขึ้นอยู่กับหัวใจแต่ละท่านแต่ละคนเท่านั้นใช่ไหมเขาเขาก็มาถามนเมื่อกี้ถามกันสองธรรมะเอากันเมื่อกี้เนี่ไปเมื iki, a a ảo, ่อกี้เนี่ยเขาเนี่ยทราบข่าวว่าที่ไหนดังๆผมมา ที่ไหดังๆพ่มาลูกก็ดังเหมือนกันหลวงปู่ก็ดังเหมือนกันดังไปทางเกิดเก่กเก็บตายลูกโกรธหลงหลวงปู่อย่างนี้นใช่ไหมเขาว่าหลวงปู่เป็นพระล่วงใช่ไหมก็ไม่ว่าจะหลวงปู่หรือลูกๆก็เป็นพระร่วงเหมือนกันเพราะเราพูดไปอยู่เดี๋ยวนี้เราก็ร่วงไปล่วงไปใช่ไหมหลวงปู่อย่างนี้เคาะหัวเลยนะหลวงปู่นี่ไม่ใช่แล้วก็เป็นพระล่วงเหมือนกันหลวงปู่ก็เป็นพระล่วงลูกก็เป็นพระล่วง ผูพ้พูดไปเนี่ยเขาล่วงไปล่วงไปล่วงไปนึกขึ้นยามแล้วก็ล่วงไปล่วงไปนั่นคืออเ น, นจังอันละเอียดคือพระล่วงแค่ไม่เอเกาหัวทีนี้ไปเลยได้ได้ได้ล่วนอเ น, นจังได้ได้ไดล่วงจุกขังได้ได้ได้ล่วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยสังขารโลกโลกคือสังขารสัตโลกโลกคือหมูสัตว์ โอกาสโลกโลก ค, คือแผ่นดินมนต์โลกแรกแก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกามาพัระอกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปภพเจ้ากชั้นและรูปภพสี่ชั้นรวมลงมาเป็นสังขารเป็นสังขารสังขารย่อนออกแบ่งออกเป็นสองสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองสังขารที่มีใจครองก็ดีที่เรียกว่านา ม, มขันหรือนา ม, มขัน ในโลกมัมีแต่รูปกับนามเท่านั้นนามะธาตุก็ว่านามธรรมก็ว่านามขันธ์ก็ว่านามโลกก็ว่ารูปะโลกก็ว่ารูประธาตุก็ว่ารูปธรรมก็ว่ารูประขันธ์ก็ว่าเกิดขึ<ว>้นแล้วก็แพร่พูนและแตกสลายจัด <ratchet> <ว><น>เป็นสังขารเป็นสังขารสองอุปาทินากะสังขารสังขารมีใจครองอนุปาทินากะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองสังขาร า, นานปนามาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง โลกก็เป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันใครเป็นผู้หาสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นก็พระััน์เท่านั้นหาไม่เจอไม่จบไม่พบไม่ปะไม่เห็นเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของกลไปซะสุขของกุลหัดก็มีอยู่สี่อย่างสุขเกิดแต่ความมทรัพย์สุขเกิดแต่ใจทรัพยบริโภ สุเกิดแต่ความไม่เป็นนี้เป็นศีลสุสเกิดแต่ทำงานที่ฝากีจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้ น, นกาแฟปวนแล้แตกสลายไปใครเข้าใจว่าโลกเป็นของใหม่ก็โลกเป็นของเก่าทั้งนั้นเอสธมโมชนันตโนพระธรรมเป็นของเก่าทำไยเกิดไปดับก็เกิ ด, ก, ดก็ดับอยู่หาระหว่างไม่ได้ทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่หาระหว่างไม่ได้ ใครจะรู truth, ้ตามเป็ table, bird, value, นจริงหรือไม่รู้ว่าทำเป็นจริงทำทั้งสองฝ่ายก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นนั่นั่นพระอรมศาสดาเรารู้อดิตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันเหตุนั้นเราจึงไม่มีวิญญาณเมตติสนทิแล้วไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสาม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 พระรหารรักษาจิตไม่พระหารไม่รักษาจิตเพราะท่านพ้นจากเกลียดไปแล้วไม่ได้รักษาจิตเลยไอ้พวกเราไม่รักษามันก็ผิดจริงๆใช่ไหม <c oughs> ถ้าพระรหารรักษาจิตยอยู่พระหารก็เป็นคนคุมนักโทษเพราะเกรงว่านักโทษจะมาทำอันตรายแก่ตนด้วยเกรงว่านักโทษจะหนีด้วย ต้องรักษาจิตเหตุนั้นพระทหารจึงไม่รักษาจิตท่านผู้ล่วงไปแล้วนกเวนในอากาศไม่รักษารอยชั้นใดท่านก็ไม่ไดรักษาจิตอย่างนั้นเพราะจิตของท่านไม่มีโทษท่านจะรักษาทำไมแต่พวกเราไม่รักษามันก็ผิดจริงใช่ไหมนั่นนั่นนนอันนี้ควรนพิดควัพิดพูดมากก็โกหกมากถ้าโกหกมาก เราก็มีสิทอยู่เราก็จะไปเสื้อสิ <c oughs> ใครเทศเก่งสู้พระบรมศารีรัไม่ได้พระษาดีบุตรมีปัญญาเก่งก็ไม่เชี่ยว พ, พระบรมศาสดาัตพระศีวดีมีราดบมากก็ไม่เชี่ยวออพระบรมศาราีรัตพระอนุรุทธเข้าฌานทันพระบรมศารีรัแต่ก็ไม่เชี่ยวพระบรมศาราีรัตพระอา น, นุ์ จำพระสูตรเก่งแต่ก็ไม่เชี่ยวพระบรมศาสีาพระอุบาลีเก่งทางพระเวไนยแต่ก็ไม่เชี่ยวพระบรมศาสีราพระโมคคันลามีฤทธิ์เก่งแต่ก็ไม่เชี่ยวพระบรมศาสีราพระบรมศาสีราเป็นผู้ฉลาดเทศนาวิธีไม่ได้หวงลาวไว้คนเดียวก็ย่อกยอกภาษาลิบุตรเป็นผู้มีปัญญา ม, มากอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งไหนที่ถูกท่านก็ยกย่อง มิตร ด, ดีสหายดีพ่อดีแม่ดีกูดีอาจารย์ดีตอนไหนทําถูกก็ส่งเสริมตอนไหนทาชั่วก็กีดกันเธอเหลววิสัยจึงอุเบกขาเดี๋ยวเดี๋ยวก็หากินทางอุเบกขาก็กลายเป็นอุเบกขวางใช่ไหมพระปจิหากินทางอุเบกขาหนาเดียวถึงอย่างนั้นก็เป็นที่สองของพระบรมศาสดาอยู่ทําแต่ได้พระธวดาส่งต่อพระนิพพานทั้งนั้นเอา้าพระทม เทศนายังไม่บัญยัติปาราชิกสีสังฆาริเตศรสาอริยยอดสองนี่คิยีสามสี่ปยตีเก้สองปฏิเตศนิยสีเสียชีวะเจ็ดเจ็้าทำไมท่านเหล่านั้นจึงสําเร็จพระรหั์เล่าก็พระทําแต่ละบทระบาทมันครบไตรสิกขาหมดแล้วคือศีลสมาริปัญญามันครบหมดแล้วเช่นทำไมจัดตภาวัตนสูตรมันก็ครบไตสิกขาหมดแล้ว อัจาัย์ที่โกมาโคเสยยะที่ดังสมาธิสังกปรวาจากร ม, มันตัวอาชิโออา ย, อายมูสตีสมาธินั่นมันก็เป็นไตรสิขาเราอยู่ตรงๆเลยทีนี้พระองค์เองก็มาถามครว่าในระหว่างสามสิบปีกว่านะ่ะครว่าพ้นแล้วหรือยังยังไม่พ้นกิเลสในพระใจในพระใจโลกทาตนะมันมาอยู่กับผมผมยังไม่พ้นผมพ้นแล้วชาตพูดอย่างนั้น อ๋อท่านพน้นท่านก็เล่าให้ผมฟังดูดูเราก็พูดอย่างนี้แต่ ว, ว่าท่านเมื่อนั้นภาพไปแล้วบวทที่หลังเราผมอยู่ปัจจุบันเดียวนี่ผมเบื่อแล้วอดีตอนาคตผมเบื่อแล้วผมอยู่ในปัจจุบันผมไปกราบทูลท่านอาจารย์ขาวท่านอาจารย์ขาวก็บอกว่าถูกอยู่ผมก็บอกว่าท่านถูกอยู่เหมือนกันแต่ท่านยังไม่พน้นท่านอาศัยปัจจุบันอยู่เดี๋ยวนี้ ท่านก็เกิดปีติยินดีในกรรมฐานที่ตนทั้งไว้อยู่ท่านก็เลยสําคัญว่าท่านพ้นท่านเบื่ออดีตอนาคตแต่ท่านอยู่ในปัจจุบันผมว่ายังท่านยังไม่พ้นท่านยังหาเหลี่ยมจะพ้นอยู่แต่ว่าท่านเดินมักถูกแล้วเพราะท่านรวมศีลสมาธิปัญญาลงมาในปัจจุบันท่านไม่ให้อยู่คนระมุมโลกรวมไตรสิกขาลงมาในปัจจุบันท่านพิจารณาถูกแล้วแต่ท่านยังไม่พ้นเพราะยังไม่มียาว่าเบื่อหน่าย ใครเมาในวัดตาทงศารท่านอาจารย์ขาวก็ให้คะแนนผมอยู่ผมก็ให้คะแนนท่านเหมือนกันเพราะท่านพิจารณารวมพลไตสิขาลงในปัจจุบันเพราะก็รับเข้ารับออกเราพูดอย่างนี้ทีนี้เอา้าผมจะเล่าให้ท่านฟังผมยังไม่พ้นด้านหัวเป็นอนาคตปลาตัวนั้นด้านหางเป็นอดีตกลางตัวเป็นปัจจุบันทีนี้หัวท่านไม่กินเพราะมันมีก้าง หางท่านก็ไม่ไปกินเพราะมันไม่อร่อยท่านมากินตรงพุงของมันที่นี่ท่านจะฉลาดแกมโกงว่าท่านไม่กินปลาตัวนั้นผมก็ไม่ขันยันท่านที่นี่เกหัวที่นี่เกหัวที่นี่เกาหัวที่นี่ <c oughs> <c oughs> ท, น <c oughs> ท่านอาจารย์จวนกว็หัวละที่นี่อยู่ที่นั่นงานศพท่านอาจารย์กลงมาทีนี่เอา้าใครรู้เบื้องบนคืออนาคต ใครรู้บ้านต่ำคืออดีตใครรู้บ้านกลางคือปัจจุบันผู้นั้นไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามท่านผู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้วพอบรมศาสด า, ศ า, ศาอันนี้หัวปาเป็นอนาคตหาปลาเป็นอดีตกลางตัวเป็นปัจจุบันท่านปฏิเสธท่านจะมาสาราแกมโกงท่านไม่กินปลาตัวนั้นผมก็ไม่ยอมเก่าหัวทีนีย ท่านอาจารย์จรวรวรณกงหวัวเลาะที่นี่เราก็หวัวเลาะท่านที่นี่ท่านก็เลยยอมสีนี่ทำพระพุทธศาสนาเล็กปัดญายุทธ์เล็กจนมองไ่เห็นผลทำคําสอนแต่ละวัตระบาดจงต่อพญิภานดังนั้นคําสั่งสอนใดๆในไตรโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดโดยไม่รู้ตัวเข็มทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใด คำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่ออะไรไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลเรียกว่าอริยสัจะธรรมหรยกว่าอริยสัจจริงไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ละไม่รู้แล้วมันลึกเพียงไหนล่ะเี่นี่นั่นเทียบในทางลึกซึ้งให้คำดึงหลายๆทางนํามให้น้องคอมเบงบางต่างๆ ไรรงสู่มหาสมุทระเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็ไรรงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อและก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นมามีกลางวันกลางคืนเลยนัเดี๋ยวเดี๋ยเอาหนังสือไปอ่านแล้วเอาผ้าอับน้ามาห่มาไห้คนอะไรกับแล้วก็ตั้งพิษทุกแล้วก็ตั้งไส้รอด กวมายอมซักกอนชวนผ่าอำนาจฝนพื้นกห้บรรยัตให้ให้อธิษฐานเพื่นเดียวตายขึ้นกันมุถหวายผ่าอ้นาฝนปุ๊กโอ้ยเรียมกลางพระพุทธเจ้าพระว่าตัวดีเขาก็ถามขึ้นกันล่ะโอ้ยหลวงปู่เอ้สันที่เป็นเพอยูดีแล้วสันแล้วบังอันไหนกระได้สันโอ้ยแต่เมืองสวรรค์กรงามคนนี้ลูกเอ้มนอยู่ใต้อำนาจนี้จังว่าันนวาน เมื่อสวรรค์กับงามกร น, นี้ีม่มานแก้วก็มีแตแกว้วทั้งมวลมีงานเงินก็มีตะเงินทั้งมวลมีงานเข้ากับมีตะเข้ทาทั้งมวลมาั่นมันอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังมาสัน่นมันแ ต, แตกสลายเป็นมาสัน่นหลวปูพี่คณะอันนี้จังรู้มาั่นอันนี้มันนำลล่พระพุทธเจ้าตัวไหนวาไม่ไตโลกธาตุเป็นเมื่อขึ้นของพระพุทธเจ้าเมื่อ่ะปัพทัวซื่ นำาล่พระนรานทร์เป็นนำไล่เป็นเมื่อข้นของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์วัดได้ตโลกธาตุนี่ยมูอห้องมิจิไลก็มาจกตากันจินย่นี่ว่เห็นว่าชาติเขผู้ใดมีจิเรียนห่อยก็จกหน่อยผู้ดใดมิจิเรียนไรก็จกไรนั <c oughs> น่นนำไล่พ่ะได้ตาโลกธาตุนี่ว่าท่นพระอรหันต์ทางไล่ปฐมนำไล่ทีมเราเข้ากับขึ้นนอนนั่นแล้ว่าท่นมางานกันกินย่นี่ว่นนา่อยังอีกอันนึงครัเนี่ยเอาย่เจ้าบาท ด, ด้วยกันเนาะ มันมันมนันั่งมาสั้งเมตสาวมันมันหายไปกุ้มฆ้ามากคำแน่นกุ้มฆ่าปีนขึ้นเนะเอาอีกฉบับกันเอา้าอันทำเป็นโกกรคกบาลคุ้มครองโองงรคอโสองอย่างพุทธเจ้าองค์ใดก็มายืนยันงังยสั้นทำเป็นโรคกระบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความร้ายตบบาทความกลัวตบบาทเท่านั้นจะคุ้มครองโรคไดนะ้เอาขันเศร้าโรคเข้ามือสินหาเหมดวังดุเข่าเหนียวทหารกับว่ามีทหารมีใบจินที่แตกทียัง ตำรวจไม่มีใจินสิแ ต, ตกแ่อยอยักร ะ, วกระวกซวกะล่โมก็ไม่มินสีแตกแ่นังแมนบอกนั่นมันนองเลือ ด, ดยสุอดเลนเพราะมันล้วงเราเมือนศีนหาแมนบอกน่นน่นนั่นนั่นนั่นทีนี่คนณปู่คนณย่คาคนตาคาุยายคนหนูสวัสดีดอกหรือมาจากใสก็มาจากคำสอนในพระเจ้าของเฮาแมนบอก มาจากอายุวนโน่ทุขั้งพลังขันโบรมีพระพุทธศาสนาขวงอยู่ในโลกนีเสียงร้องไห้เสียงร้องห่เงงมเสียงสาบเสียงแสงก็เต็มโลกโยคิว่าจังไรสันั่นนั่นนั่นมีปัญหาสอดเข้ามาว่ามีผู้ทําลายพระพุทธศาสนาได้หรือไม่มีผู้บวชนําลายขึ้นฟ้าได้หรือไม่นั่นเข้ากันิถามต่อไปอีกวันหนึ่งมดไตโลกธาตุบวชนําลายขึ้นทังฝ้าได้บ่ ม่วนขึ้นบ่ได้มดไตรกทะาน ต, นต่ยฟุนโตร่มไดบ่บ่บได้นั่นนั่นนั่นนั้อนสกกเสาไดบ่ควง ไ, ไก่บ่ถึงขวงไก่หนักมวนเอกตัวลบบ่ท่านแม่บ่รอมึงรูปใหนี <c oughs> นน่นั่นัน่ น, นี่พวกเราคนผว่าพระพุทธศาสนาคือสกโปกแทสันมวยขันวยผู้ท่าผิด พ, ด พ, พระพุทธศาสนาก็บ่เต็มเ่วายังไงสันเอา้า นั่นกูห้องบอกแล้วตัวจะไปทำนั่นพระพุทธเจ้าผู้ทำผิดก็เป็นพยานพระพุทธเจ้าผู้ทำถือก็เป็นพยานพระพุทธเจ้าผู้ทำผิดก็ได้รับความผิดอันนี้ผู้ทำถือก็ได้รับความถืออีนนีพระพุทธเจ้าก็เลยได้ได้พยานทั้งสองทางสิว่าอย่างไรสั่นเอ้าสิว่าอย่างไรสั่นเอ้าข้างพระเจ้าก็พระสุภาพุธะมวันนี้บุญไหว้พระพุทธเจ้าโบยันศสนะพระพุทธเจ้าได้นั่นพุทธิธรรายพระพุทธเจ้าได้พุทธิธรรมไพระพุทธศาสนาได้อืออโมนี่โมนี่พุทธิธรรมไพระพุทธศาสนาได้ พระพุทธเจ้าองค์ไหกรรมตัดสรุ้อริยสัจสี่คือเก่านี้ถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทาได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำนั้นพระพุทธเจ้าเอว่างเอาละนี่ผิดบัญญัติผิดเด้อห้องบัญญัติว่าเครืองเขาห้อเนมันหวานนะสิห้องกับบัญญัติผิดตัวห้อบัญญัติไฟว่ามันเย็นนี่สิห้องกับบัญญัติผิดตัวเ้าบัญญัติว่า เล่นเลเด่นพาเล่นบ้าเล่นเบอร์มันเป็นของเจ้าเลิศนกับบรญัติผิดี้พระพุทธเจ้าว่ามนุษย์วิบัติสวรรค์วิบัติพรหมวิบัตินิพพานวิบัติพระพุทธเจ้าถ้าเว้นแล้วก็สวรรค์วิบัติก็สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติมันตรงกันขามเลยน่นั่นพระนี้ไปสอนเก่งกว่าพระพุทธเจ้าในไตโลกระถางพรที่พูดนำไห้ไฟดับปัญญากระาก็เรี่ยมกลางพระพุทธเจ้า ออกไม่าจพระไตรปิรกน่ะว่ามันทั้งตรงกัทั้งอ้อมว่ามันทั้งไก่กับทั้งไก่เห็นนั่นเรียกว่าทั้งทรัพยันชนะเจวรภรณริพูนนางบริสุทธิ์ทางพระมิจฉาอย่งประกาศเสสิบริบูนทั้งอัฐทั้งพยันชนะสิ้นเชิงแล้วตามหางประกาับรรจงอริยบุรียามีตามหางประกาศบรรจงที่รษานามามีจึงยอมกราบไหว้ผู้กราบไหว้ไม่ต้องกระด้างกระเดื่องตามหังทำมังสังขังควาเหมือนกัน เ พ, พื่อทีเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติสวัด์สมบัติพรมสมบัตินืานสมบัติบริบูรณ์เนี่ยหัว้อครบครบคาสอนพันตกอันเดียวขับห้องกินอาหารขัขัดค บ, บควัตแจกเเท่าจะกินกินได้ยังไหนค บ, บคปวตกว่าเชี่ยวปวัตกเลยเจะกินกินได้ยข้าข้อตายนั่นเกินไปมากกับ ย, ย่อยเลย การเทาครบแจกเนาเกนะกับบต้องซื้อแล้วอันนสัตว์ทุตเทศไม่ถือศาตราอื่นนั่นเป็นผู้ขอ้อมาสดารบันผู้ขอ้อมาสดารบนันไม่ยากเลยง่า ย, ายาเมื่อเสียดายถือศาตราอื่นเมื่อเสียดายซื้อยโยงข้องกระพันเลิกดีงามดีเมื่อเสียดายซื้อเสยศาสตร์วิสาเสนีวิสาหงพอด มิซาย่ยงคงกัะพันมช่เลายชือว่ามันเป็นศิยศาสตร์เนี่ยบนพุทธศาสตร์แล้วก็มัสเซไยลงระเมิดสินหามัสเซไดจองเว้นทันผู้ใดม่อเซไดควบมิตรรัวจนเขาเอาว่าให้กินเย่งไรเฮ้ยครับเว้ยผมเป็นโรคหลายเป็นโรคยังเป็นโรคบาปเป็นโรคเสียเงินอธิบายคืออธิบายกรปัเขาทีเอาเส้นหนภาผากกันเขาพูดเมาเรา ก็ลบอย่างสัตวเดี่ยตัวไม่ใช่ดาวคาขายเื่องประหารคาขายมนุษย์ข้าขายทรัเป็นเรื่องนัทัพย์ที่ตัวข้าพเจ้เป็นอาหารค้าขายล้ำเมาค้าขายยาพิษนั่นแหละพระสวสดาบาลกันถึ้งพระสสดาบาลแล้วสักท่าข้าไม่อนาขาไม่พระนันก็เปิดประตูไปเองเด้อเรียกว่าตโลกุตรักคำสอนไม่ใช่โลกีคําสอนพระสมานพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตระคําสอนทําไมจึงเป็นโลมีโลกีมาปนเปกันพระ เอาคำสอนศาสดาอื่นมาปนเปกับคำสอนพระพุทธศาสนาเอาลูกเขยกระพาะจาไปนั่งเตียงเดียวกันสราบไมเท่ามิจตสุภิตปโนโชุยยะสามีจิจินี่เนอะสาวกของพระภุญยาภาคเจ้านั่งวิสขาเราเป็นพระสะวัสดิบันจะอายุเกียรตปีคนเราบ่าเสียดายเรียนเลขเรี น, เรนพาร์าเรียนบัดเร่นเบื่อนั่งวิสาขานั่น ให้ทธานรักษาศีลพ ร, ระวาแล้วก็าปารถนาไปพระเนผพานาพระพุทธเจ้าไว้ใจเขาไปวัดแปลว่าเขาไปยังว่าปรารธนาแต่ว่าสิบสี่ปีให้ได้ไป้านผัวหรือสิบห้าปีให้ได้ไปวัดผัวพระองค์เราสั่งคุเชื่องครับพระองค์เนี่ยโอ้ยมันก็บ่กเป็นท่านสั่งนั่งได้เขาบอกว่าท่านถึงพระสวดา์บานขึ้นตัวดีตัวนั้นหายธาตุเขาแไปทาขวักเส้ยนยังก็ปะปารธนาแต่พระเนผพานาอย่างเดี่ยว โตมั่นใจมันถึงแล้วมั่นกาคามขามมาแล้วโตวมีดวงตาเห็นถ้ำแล้วพระพุทธเจ้านั่นดอกบัวสีเหลือก็มีไม่มีอยู่แต่ข้างพุทธการข้งนี้ก็มีอยู่ดอกบานกบานเติมพุม่ดอกตูมกบตูมเติมพุม่มดอกเสมอนามกับเสมอนามเติมพูม่มจะว่าอย่งไรฉันเมื่อเด้มีแต่ข้งพระพุทธเจ้าเด้ดอกบานบานเติมพุม่มขึ้นอย่างไรขึ้นคูบาอาจารยพุ่มพลันผลไปแล้วดอกตูมต่ําก็นั่นลงมา คือพระอน า, าคามี่ตูมตัํากระหน่ำลงมาคือสักขะาคามี่ตูมตั้มกรน่ำลงมาคือพระสวัสดิ์บเสมอหนามคือพวกพวกาาค้าราข้าสั้งพุทธก็ถือผีก็ถือเราก็กินโบกกระเล่นเบี้ยกกระเลนพวกเสมอหนามพวกใต่หนาะเนี่ยดอกบวยขาโ่ไต่นาํบาป บ, บม่มีบุญบ่มีปชาชน ไ, ไดบาน มักผลในผ่านบอมี่ตายแล้วกระูนบวชบอกยึดไตหน้หามให้นักเทีย่ยกัถือว่าไม่บุญไม่บาปแนี่เพราะมีหลายบางที่บางที่ก็โพเขื่นมาบางที่เขาบ่กโพเขื่นมาเพราะดอก บ, บานมันก็ไม่จากตอกใตหน้ามันเนี่เพราะมันมีหลายบางที่พวกหนักผู้ได้วังผลทุกได้พัฒนาธาตพี่ยันหนาร่มห้ใจเขาออกพร้อมกับล่ม ความคับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอนัตก่อ์ในหลังอยู่ว่าอยู่ว่ามันกับเบือ่อฮอนตัวอดีตที่ล่วงไปแล้วคืออะไรก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ล่วงไปแล้วอนาคตอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันอนิจจังทุกขังอนัตตาที่กาลังเป็นอยู่นี่เรียกว่าพวกบารมีแก่กาวมาแล้วนเนี่ยยัง อ, งอีกอดีตคืออะไรคือผู้รู้นี่ที่ล่วงไปแล้ว อนาคตคือผู้รู้ที่ยังไมามาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่อาศัยพิจารณาปัจจุบันร่วมศีลสมาธิปัญญาร่วมลงในปัจจุบันเลยปัจจุบันนันจโยธรรมผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอแงคนแคลนเลพระพุทธเจา้านั่นทําแต่ละวัระบาดมันทรงต่อพระเ้าพันธมัดอันนี้มันโดนแล้วฮะเนี่ยไไนะมูม้ดศิลปไปด้เหรฮะเนี่